ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุตตันตปิฎกอังคุตตรานิกายเอกานิบาตหมวดที่สาเอตัทธะปาลิบาลีว่าด้วยเอตัทธะ ค, คือบุคคลที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศฝ่ายพิกษุ 1. หนึ่งพระอัญญโกรทัญญะเป็นผู้เลิศในทางรู้ราตรี คือรัตัญูหมายถึงเป็นคนเก่าแก่เห็นเหตุการ์มามาก 2. พระสารีบุตรเป็นผู้เลิศในทางมีปัญญามาก 3. พระมหาโมคลานะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์สีพระมหากัสปะเป็นผู้เลิศในทางกล่าวขัดเกล่าวหรือทุตาวาทะพูดยกย่องทุดง 5. พระอนุรุทธะเป็นผู้มีเลิศในทางมีทิพยจักษุห 6. พระพัฒยกาลิโกทายบุตรเป็นผู้เลิศในทางมีสกุลสูง 7. พระละกุลตะกะพัฒยาเป็นผู้เลิศในทางมีเสียงไพเราะแพระปิณโทละพาระทวาชะ เป็นผู้เลิศในทางบรรลือสีหนาฏคือเปล่งวาจาอย่างองอาจ9พระปุณณ์มันตนีบุตรเป็นผู้เลิศในทางแสดงธรรม10พระมหากัจานะเป็นผู้เลิศในทางจำแนกอัถักแห่งภาสิทธโดยพิสดารสิอพระจุลปันทกักเป็นผู้เลิศในทางนิรมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ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 ที่ไม่มีค่าศึก15พระสุภูติเป็นผู้เลิศในทางควรแก่ของถวายทักกิเนยะ16พระเรวตั์ขัติระวาณิยะเป็นผู้เลิศในทางอยู่ปา17พระกังขาเรวตั์เป็นผู้เลิศในทางเข้าชาน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 เป็นผู้เลิศในทางทำให้เกิดความเลื่อมใสทั่วไป 27. พระทัพภะมัลระบุตรเป็นผู้เลิศในทางจัดเสนาสนะคือจัดที่อยู่อาศัย28ปพระปิลินทวัตฉัเป็นผู้เลิศในทางเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดา 29. ่พระภาหิยะทารุจีริยะ เป็นผู้เลิศในทางตรัสรู้ได้เร็ว30พระกุมารกัสปะเป็นผู้เลิศในทางกล่าวธรรมอันวิจิตด้วยอุปมา 31. อพระมหากฏทิตต์เป็นผู้เลิศในทางบรรลุปฏิสัมพิทาความแตกชาน32งพระอานนุนเป็นผู้เลิศในทางพระหูสุด คือสะดับตรับฟังมากสาพระอนนท์เป็นผู้เลิ่ในทางมีสติความระลึกได้ความทรงจำา34พระอนนท์เป็นผู้เลิ่ในทางมีคติสำหรับคำว่าคติแปลว่าทางไปหรือที่ไปอธิกถาอธิบายว่าตั้งอยู่ในบทเดียวเรียนได้หกพันบท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 เป็นผ <muitas> ู้เลิศในทางมีทิติทิติในที่นี้สะกดด้วยทอทงสารีและก็ตต่าสาอีนะครับทิติโดยทั่วไปแปลว่าความอดทนอัรธกะทาแก้ว่าความเพียรคือเพียรในการเรียนการท่องจำการทรงจำการอุปถาหรือรับใช้พระศาสดา 36. พระานนท์เป็นผู้เลิศในทางอุปถา หรือรับใช้พระพุทธเจ้า 37. พระอุรุเวลกัสปะเป็นผู้เลิศในทางมีบริสัท์หรือบริวารมาก 38. พระกาลุทายีเป็นผู้เลิศในทางรมสกุลให้เลื่อมใส 39. พระพักุละเป็นผู้เลิศในทางมีอาพาธน้อย 40พระโสพิตรเป็นผู้เลิศในทางระลึกชาติได้41พระอุบาลีเป็นผู้เลิศ ใ, ในทางทรงจำพระวินัย42พระนันทกะเป็นผู้เลิศในทางให้โอวาทแก่นางภิกษุณี43พระนันทะเป็นผู้เลิศในทางสํารวมอินทรีย์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 พระราธะเป็นผู้เลิศในทางทำให้เกิดปฏิพานในทางแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า 47. ิพระมูขาราชเป็นผู้เลิศในทางทรงจีวรสีหมองหมายเหตุนับตามทางที่เลิศได้47เจทางแต่ถ้านับจำนวนบุคคลจะได้เพียงส1บเอ็ดท่านเพราะบางท่าน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 พระนางนันทาซึ่งเป็นน้องพระอนุรุตเป็นผู้เลิศในทางเข้าฌาน7นางโสนาเป็นผู้เลิศในทางประรพความเพียร8นางสกุลาเป็นผู้เลิศในทางมีทิพยาจักสุเกนางกุลณนลเกสาเป็นผู้เลิศในทางตรัสรู้ได้เร็วสิบ นางพัฒากาปิลานีเป็นผู้เลิศในทางระลึกชาติได้11พระนางพัฒกากัจจานาหรือพระนางยะโสธราเป็นผู้เลิศในทางบรรลุอภิญญาใหญ่อัธกถาแสดงว่ามีความสามารถระลึกเหตุการณ์ในกับต่างๆย้อนหลังไปได้มากนับไม่ถ้วน12นางกิสาโคตมี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 คือถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสาระรายแรก 2. อ, อนาถปินฑิกาเขรืหาบดีผู้มีชื่อเดิมว่าสุทัตตะเป็นผู้เลิศในทางถวายทาน 3. จิตต์เขรืหาบดีผู้อยู่น น, นครมัจิกาสนเป็นผู้เลิศในทางแสดงธรรม 4. หัตถกะอาละวะกะ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 เป็นผู้เลิศในทางถวายของที่ปราณีต 6. กอุคคะเขา้าเหบดีชาวกรุงเวสาลีเป็นผู้เลิศในทางถวายของที่ชอบใจ 7. จอุคคตะาเข้าเหบดีเป็นผู้เลิศในทางอุปถากคือรับใช้พระสงฆ์8สุระอัมพัทถ์เป็นผู้เลิศในทางมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว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 4. นางสามาวดีเป็นผู้เลิศในทางมีเมตตาเป็นธรรมะเครื่องอยู่ 5. นางอุตราผู้เป็นมารดาของนันทมานพเป็นผู้เลิศในทางเข้าฌาน 6. นางสุปววาสาทิดาของโกรยักษัตรเป็นผู้เลิศในทางถวายของประนีต 7.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 เป็นผู้เลิศในทางเลื่มอมใสเพราะฟังจากผู้อื่นคือฟังผู้อื่นสรรเสริญพระรัตนตรยัยแล้วได้บรรลุโสดาปติผล